ถ้าเรามีสติถูกต้องนะเรียกสัมมาสติมีสมาธิถูกต้ององค์ธรรมสำคัญสองตัวนี้มีให้มากจเจริญให้มากปัญญาคือสมาธิทิมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานะไม่ใช่เรื่องอื่น คือตัวสมาธิฏีินั่นเองเมื่อไรเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะจิตเขาจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเป็นเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเดินมาทางนี้จุดสำคัญคือมีสติที่ถูกก็มีสมาธิที่ถูกเกือบร้อยละร้อยขานักปฏิบัติสติก็ไม่ถูกนะ สมาธิก็ไม่ถูกสติเป็นองค์ธรรมที่ทำหน้าที่รู้ทันรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมมันไม่ใช่สติอย่างโลกโลกที่เรารู้จักกันแต่มันคือสติปัฏฐานสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเอง สติอย่างโรคๆ น, นที่ติดไว้ข้างขวดเหล้าดื่มสุราทำให้ขาดสติอะไรอย่างเงี้ยขับรถตกถนนทะเลาะวิวานอะไรอย่างเงี้ยไอสติอย่างนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานสติโรคๆถ้ามีสติแบบนั้นจิตก็เป็นกุศลแต่ไม่ใช่กุศลที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อความหลุดพ้นได้ เราต้องมาฝึกตัวเองให้สติที่แท้จริงเรือสมาสติเกิดขึ้นสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจในี่สติจะรู้กายรู้ใจได้ต้องมีองค์ทำอีกตัวหนึ่งมาช่วยคือตัวสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากที่สุดเลยในวงการปฏิบัติพวกหนึ่งไม่ทาสมาธิเลย ไม่ทำสมาธิเลยจิตยฟุ้งซ่านแล้วก็ไปเจริญปัญญาด้วยจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้อีกพวกหนึ่งไปทำมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิมีหลายแบบส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติกัน ก็เป็นมิจฉาสมาธิแทบทั้งนั้นเมื่อประมาณสอง6หรยหหลวงพ่อภาวนาได้เข้าใจหลวงปู่ ด, ดุลบอกพอช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงตะเวนไปดูที่โน่นที่นี้เรื่อยๆ พบว่าคนที่ภาวนาได้จริงๆมีไม่มากหรอกบางที่ครูบาอาจารย์ทำได้นะที่เหลือทำไม่ได้ทั้งพระทั้งโยมส่วนใหญ่ไปทำมิจฉาสมาธิอีกพวกหนึ่งก็ไม่ทำสมาธิเลยพวกที่ทำก็ทำมิจฉาสมาธิหลายพวกหลายสำนักนะที่ไม่ทำสมาธิเลย อย่างบางสำนักอยู่ๆก็แค่คิดพิจารณาร่างกายไปเลยใจมันฟุ้งซ่านแล้วก็เขาคิดไปคิดไปนะมันจะได้สมาธิชนิดหนึ่งขึ้นมาใจมันจะมีความเบิกบานมีความสุขอย่างเราอยู่เราคิดพิจารณ์ ก, กายไปเลยนะใจก็ว่างโล่งว่างแล้วรู้สึกว่าไม่มีกิเลสนะจริงๆมันตัดกิเลสไม่ได้สมาธิมันไม่พอ บางพวกก็ไม่ทำสมาธินะแบบว่านกะำหนดไปเลยกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องจิตเนี่ยไหลไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องกำหนดลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจจิตไหลลงไปแช่ที่ใดที่หนึ่งแล้วไม่รู้ทันว่าตอนนี้จิตมันเคลื่อนออกไปละอย่างเราหายใจออกหายใจเข้า เราไปดูลมหายใจไปเพ่งใส่ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจตัวที่จิตเคลื่อนไปเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นละเราเสียสมมาสมาธิไปมันกลายเป็นสมาธิธรรมดาธรรมดาเอาไว้ทำสมถะได้แต่ทำวิปัสสนาไม่ได้จิตนั้นหลงไปละจิตเคลื่อนเวลาที่เราหายใจสังเกตไหมเวลาเราหายใจ เรารู้การหายใจนะแทนที่เราจะเห็นว่าร่างกายหายใจใจเป็นคนดูกายกับใจแยกออกจากกันใจเรากับไหลไปอยู่ที่ลมตรงที่ใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเนี้ยนี่จิตไม่ตั้งมั่นละแต่จิตไปตั้งนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์ถ้าเมื่ไหร่ให้ความสนใจกับอารมณ์มากกว่าจิตเมื่อนั้นเป็นสมาธิชนิดสงบเอาไว้ทำสมถะ เมื่อไรให้ความสําคัญกับจิตมากกว่าอารมณ์เมื่นั้นถึงจะเป็นสมาธิที่ใช้ทําวิปัสสนาได้ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลายวงห์หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยหลายวงตั้งแต่สองพั้าร้ยี่สิบห้าเนี่ยตะเวนเรียนจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวอะไรพวกนี้เข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์รุ่นโ ต, โต แต่อย่างบางองไม่ไปหาอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านอยู่ในห้องกระจกแล้วหลวงปู่ชาหลวงปู่แหวนเนี่ยรู้ว่าเราเข้าไม่ถึงครูบาอาจารย์ที่เข้าไปเรียนด้วยไม่ได้หลวงพ่อไม่ไปเพราะว่าเราต้องการธรรมะเราไม่ได้ต้องการเห็นครูบาอาจารย์เฉยๆอย่างหลวงพ่อชาไม่ได้เข้าไปหาท่านเาท่านไม่สบายไปแล้วนี่จะไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านยังสอนได้อยู่ ทุกทุกองท่านสอนอันเดียวกันทั้งหมดเลยสอนให้เรามีสติบางองค์ท่านบอกท่านพุโทโธแต่การพุโทโธของท่านเนี่ยไม่ใช่พุโทโธแบบนกแก้วนกขุนทองหรือบางองค์ท่านหายใจอย่างพุโทโธถ้าเราพุโทโธไม่เป็นเราจะพุโทโธเพื่อให้จิตสงบพุโทโธแล้วก็ให้ความสำคัญกับพุโทโธให้จิตไปอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปที่อื่น เอาพุทโธเป็นโซ่ตรวนเป็นเครื่องจองจําไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นไอ้ยอย่างนี้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อ น, อนๆไม่ได้สอนหรอกครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆสอนพุทโธเนี่ยเราให้รู้ทันจิตท่านสอนในจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงงั้นฉันใช้จิตเป็นตัวหลักเอี่ยวเวลาบริกรรมพุทโธเนี่ยให้รู้ทันจิต พุโทโธพุโทโธไปจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันคำว่าพุโทโธเป็นแค่ความคิดแต่ว่าเราจงใจคิดคำว่าพุโทโธเวลาที่จิตมันหลงเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องอื่นคิดคาอื่นที่ไม่ใช่พุโทโธมันจะช่วยทำให้เรารู้ตัวได้เร็วว่าเอ้าหลงไปแล้วนี่นะสังเกตไหมเวลาที่เราหลงไปคิดนะีคิดสเปสสปาเพะนะนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้คิดพุดโทโธไว้ก่อนเนี่ย เป็นการจงใจคิดพุทธโธนะเพื่อเป็นเครื่องสังเกตเวลาจิตมันทิ้งพุทธโธไปที่อื่นเราจะได้รู้ได้เร็วว่าจิตมันหนีไปแล้วเพราะั้นตัวที่ต้องการรู้นั้นคือจิตไม่ใช่ต้องการทาจิตให้นิ่งๆอยู่กับพุทธโธหรือเวลาเรารู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้ต้องการรู้ลมหายใจแต่ต้องการรู้จิต หายใจไปหายใจไปถ้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทันนี่เรียกว่ารู้ทันจิตหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมลมหายใจไปแล้วย่างนี้เรีเยกว่ารู้ทันจิตใช้จิตเป็นพระเอกแต่ถ้าสมาธิชนิดทาให้สงบเนี่ยใช้อารมณ์เป็นพระเอกใช้อารมณ์เป็นพระเอกอย่างเราจะพุทโธเนี่ยให้จิตไปอยู่ที่พุทโธพุทโธเนี่ยควบคุมจิตไว้พุทโธเป็นตัวเก่ง เป็นพระเอกจะรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ในลมหายใจนะไม่หนีไปที่อื่นเลยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกมัดจิตไม่ให้หนีไปที่อื่นตัวที่เก่งตัวที่เป็นพระเอกคือตัวลมหายใจแต่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยใช้จิตเป็นตัวหลักอารมณ์เป็นแค่แบ็กกราวด์เป็นภาพฉากหลังทําให้เรามองเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปอย่างถ้าเราอยู่ในความว่าง แล้วจิตเราเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนเพราะมันไม่มีฉากหลังให้ดูอย่างพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกตกทางตะวันตกใช่หไหมมันมีฉากหลังคือมีขอบฟ้าเราก็เห็นมันขึ้นทางนี้มันลงทางนี้สแสดงว่าพระอาทิตย์มันเคลื่อนที่หรือพระจันทร์มันเคลื่อนไปฉากหลังก็คือมีหมู่ดาววันนี้มันอยู่กับดาวดวงนี้วันนี้มันย้ายดาวไปไม่ทําให้เห็นว่าพระจันทร์มันเคลื่อนที่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันนะ ถ้าเรามีอารมณ์กรรมาฐานเป็นเครื่องอยู่แล้วเราคอยรู้ทันจิตนะเราจะเห็นว่าจิตนี่มันเคลื่อนได้อย่างเราอยู่กับพุโทโธเนี่ยจิตมาอยู่ที่พุโทโธจิตอยู่ที่พุโทโธแล้วแล้วพอมันทิ้งพุโทโธไปเราจะเห็นรู้สึกไหมมืออย่างนี้เห็นว่าเคลื่อนง่ายถ้าอย่างนี้นะต้องดูฉากข้างหลังตออีกถ้าข้างหลังนี้ว่างเปล่าเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามีความเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างเวลายานอวากาศอยู่ในอวากาศนะ ไกลๆมากๆดาวอยู่ห่างมากมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวจิตไม่รู้สึกว่าเคลื่อนที่เคลื่อนที่ชั่วโมงหนึ่งเป็นแสนแสนกิโลก็ไม่รู้สึกว่าเร็วแต่อย่างเนี้ยถ้าจิตมันมีฉักหลังอยู่อย่างมีพุทโธอยู่พอจิตมันเคลื่อนไปจากพุทโธนิดเดียวเราก็เห็นแล้วจิตเคลื่อนไปจากลมหายใจนิดเดียวเราก็เห็นแล้วเพราะฉะั้นเอาจิตเป็นตัวหลักไม่ใช่เอาอารมณ์กรรมฐานเป็นตัวหลัก แล้วมันได้ประโยชน์อะไระพอจิตเคลื่อนปุ๊บเรารู้ปับ๊บจิตเคลื่อนปุ๊บเรารู้ปับ๊บสิ่งที่ได้มาคือสติได้สติมาก่อนเลยแล้วก็ได้สมาธิที่ถูกต้องมาด้วยเราได้องค์ธรรมสองตัวที่เราต้องการงั้นเราทํากรรมฐานไวนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองพุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธไปแล้วพอจิตหนีไปจากพุโทโธรู้ทัน หายใจไปก็ได้หายใจไปแล้วพอจิตหนีไปจากลมหายใจรู้ทันรู้ทันที่จิตไม่ใช่รู้ทันลมหายใจรู้ทันพุทโธฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บสติจะระลึกได้เองเพราะสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นมันเคยเห็นแล้วว่าจิตที่เคลื่อนเป็นยังไงอย่างพวกเรารู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไปได้เคลื่อนไปในร่างกายก็ได้เคลื่อนออกนอกร่างกายก็ได้เคลื่อนไปอดีตก็ได้เคลื่อนไปอนาคตก็ได้ เคลื่อนไปดีก็ได้เคลื่อนไปชั่วก็ได้เคลื่อนไปสุกก็ได้เคลื่อนไปทุกข์ก็ได้จิตมันไหลตลอดเคลื่อนไปทางตาก็ได้เคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคลื่อนไปทางใจก็ได้เคลื่อนทางใจส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดจะเคลื่อนไปทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันเคลื่อนที่ไปตรงที่จิตมันเคลื่อนร่อนเร่ไปเนี่ยมันขาดสมาธิมันไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แต่ตรงที่เราหัดดูบ่อยๆจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปเนี่ยต่อไปพอจิตเคลื่อนปับ๊บสติจะเกิดเองเพราะอะไรเพราะสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นนะการจําสภาวะได้แม่นมีชื่อภาษาบาลีเรียกธีระสัญญาทอถุงสระอิรอเรือธีระสัญญาสัญญาคือการหมายรู้ธนะีระว่าเสะเทียนนั่นเองรู้จักคาว่าเสะเทียนไหมนะ ไม่คำเดียวกันแล้วนะหมายถึงว่าสามารถจำสภาวะได้แม่นสัญญาเป็นตัวความจำมันจำได้แม่นมันจำได้ว่าจิตที่เคลื่อนเป็นแบบนี้นะทำไมจิตถึงจำสภาวะได้เพราะมันเห็นการเคลื่อนบ่อยๆต่อไปพอเคลื่อนปุ๊บมันรู้เองเลยว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเพราะฉั้นเราอยากได้ดีจริงๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นทากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั้นเราจะไม่แทรกแซงจิตสักทีเดียวเลยจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราอย่าเข้าไปแทรกแซงนะอย่างเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็ไม่ใช่บังคับว่าจิตต้องอยู่ที่พุทโธเราพุทโธพุทโธเล่นเล่นไปอย่างนั้นแหละพุทโธแล้วพอจิตหนีไปจากพุทโธเราจะได้คอยรู้ หายใจเล่นๆไปหายใจสบายไปแล้วพอจิตเคลื่อนไปจากลมหายใจก็รู้ไม่ใช่หายใจไปแล้วจิตจ้องนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะอันนั้นเป็นสมาธิที่สงบอยู่เฉยๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นเป็นมิจฉาสมาธิทันทีถ้ามีสติอยู่เป็นสัมมาสมาธิแต่มันมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้ทาสมถะเรียกว่าอารมณูปนิชานมีอารมณ์เป็นพระเอก สมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นใจ ล, ลักอันนี้จางทุกขังอนัตตาของรูปนามกายใจเนีย่ยนี่เรียกว่าลักขณูปนิชานเป็นสมาธิที่เอาไว้ทํำวิปัสสนาจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดสมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันมีจิตอยู่กับพุโทโธอันเดียวไม่ไปหาอารมณ์อื่นอันนี้สงบเฉย แลจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตรงเนี้ที่ใช้ทําวิปัสสนาเป็นสมาธิที่ใช้ทําวิปัสสนางั้นขั้นแรกสุดนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึง่งแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบไม่ได้ทำรับน้อมจิตให้นิ่งอยู่ที่อารมณ์นั้นอันนั้นตื้นเกินไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วจิตเคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานนะคอยรู้ทัน หลวงพ่อเคยเจอคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามมหาบัวคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนาอย่างไงจิตลงที่เดียวกันนะลงที่เดียวกับท่านนะหลวงพ่อก็บอกท่านว่าหลวงพ่อหายใจจนลมหายใจระงับน้ํากลายเป็นแสงอยู่ที่ปลายจมูกเนะี่ยแล้วตัดจากนั้นนะรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันจิตเคลื่อนจากแสงรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิขึ้นมาแล้วคราวนี้เวลาดูลงในกายจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรา นะดูลงไปที่ความรู้สึกทั้งหลายความรูส้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีรู้สึกชั่วนะภาษาบาลีเรียกว่าตัวกลุ่มของเจตสิกนะดูกายเนี่ยดูตัวรนะูปดูความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าเจตสิกอย่างสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่ใช่จิตเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตอันนี้เรียกว่าเจตสิกนะหรือรู้เข้าไปถึงตัวจิต จิตไปรับรู้จิตคือตัวความรับรู้นะมันเกิดดับมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับอย่นี้มันก็เกิดดับได้ถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาเห็นรูปมันจะเห็นรูปนี้ตกอยู่ใต้ใจรักร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสภาวะที่ถูกความทุกข์บีบคันอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ตัวตน เวลาเห็นความรู้สึกทั้งหลายคือตัวเจตสิกก็จะเห็นว่ามันเกิดเองมันดับเองเราสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ความสุขใครเคยรู้จักไหมความสุขสั่งให้เกิดได้ไหมสั่งไม่ได้ความสุขเที่ยงไหมไม่เที่ยงความทุกข์เที่ยงเปล่ากุศลเที่ยงไหมโลภโกรธหลงเที่ยงไหม เนี่ยหัดดูให้เห็นความจริงอย่างนี้นะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับอันนี้เรียกว่าเราสามารถเห็นไตรลักษณ์ของเจตสิกได้ทําไมถึงเห็นได้เพราะจิตเป็นคนดูจิตมีสมาธิเป็นคนดูนะงนั้นตรงที่จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิเป็นคนดูขึ้นมาเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท้าเรียกว่าจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดู ถ้าเรามีจิต ท, ที่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยปัญญาถึงจะเกิดในอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาการจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินี้ถ้าเรามีสติรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนจิต ท, ที่เคลื่อนเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีสมาธิพอเรารู้ว่าจิตเคลื่อนปุ๊บจิตตั้งมั่นเองเลยะพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยได้สัมมาสมาธิมาละ เราก็ดูลงไปที่ไหนก็ตามจะเป็นร่างกายจะเป็นความรู้สึกหรือตัวจิตเองมันจะเกิดดับทั้งสิ้นเลยจิตก็เกิดดับนะจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยสลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยวก็ไปเป็นผู้หลงไปคิดทางใจ เดี๋ยก็เป็นผู้ไปหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานหลงทางใจเนี่ยหลงห ล, ลงไปจิตเกิดดับอยู่ทางตวนันทั้ง6เหมาะน้นจิตเองก็เกิดดับเฉั้นถ้าเมื่อไรเราได้สมาธิที่ถูกต้องนะจิตของเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยพอรู้ลงในกายก็จะเห็นว่าร่างกายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รู้ไปที่ความรู้สึกทั้งหลายคือเจตสิกก็จะเห็นว่าเจตสิกทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ รู้ลงไปที่ตัวจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ต่างๆก็จะเห็นว่าตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใตรักตรงที่เราสามารถเห็นใตรักได้เนี่ยเพราะใจเรามีสมาธิสมาธิชนิดที่เป็นคนดูนะสมาธิมีตั้งหลายชนิดนะตั้งแต่มิจฉาสมาธิสมาธินั่งแล้วเคลิมขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนะไม่ได้เรื่องนะสมาธิที่รู้สึกตัวนะมีสองันอีก่ไหบอกแล้ว อันหนึ่งจิตไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนดีเหมือนกันแต่ดีแบบพักผ่อนอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งที่ถูกดูเนะี่ยผ่านไปผ่านมาทีแรกดูอาจจะเห็นของหยาบๆคือร่างกายก่อนเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันจะรู้สึกเลยนะ มันเป็นของถูกรู้ถูกดูเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกต่อไปค่อยๆดูนะเราผ่านทางกายเห็นกายได้ต่อไปก็เข้ามาที่ละเอียดขึ้นคือดูที่ความรู้สึกทั้งหลายเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ต่อไปก็ดูได้ละเอียดที่สุดก็เห็นจิตจิตเดียวก็ไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับ จิตเกิดที่ไหนดับที่นั้นนะเราไม่ต้องเอาจิตไปตั้งที่ใดที่หนึ่งนะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลว์หลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าท่านบอกให้ดูจิตตอนนั้นฝอหลวงพ่อไปหัดดูนะเราเห็นความไหวๆมันอยู่กลางอกเนี่ยแต่ว่าตัวผู้รู้มันอยู่ตรงนี้นอยู่ข้างบนตัวไหวๆมันอยู่กลางอกสงสัยจะดูตัวไห น, นจิตมันตั้งอยู่ตรงไหนแน่หลวงปู่ดูลบอกจิตไม่มีที่ตั้ง ตอนนั้นงงมากเลยนะได้ยินว่าจิตไม่มีที่ตั้งแล้ไปดูมันได้ไงก็มันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั้นแหละจิตที่ไปดูรูปมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับมันก็เลิกดูเกิดจิตที่ไปฟังเสียงจิตที่ไปฟังเสียงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปอาจจะเกิดจิตที่ไปคิดอันนี้รู้อารมณ์ทางใจนี่จิตไม่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกเกิดที่ไหนดับที่นั้นให้เห็นตรงนี้ก็ลําบากหน่อยยากหน่อย นการดูเนี่ยมันจะมีมีสภาวะที่เราดูได้สามอันอันนึงดูรูปอันนึงดูเจตสิกอันหนึ่งดูจิตดูรูปเป็นรูปธรรมใช่มอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกดูกายจิตกเจตสิกเป็นนามธรรมอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกดูจิตงั้นเราดูได้สองกลุ่มถ้าเราเป็นพวกทำสมาธิมากจิตมันนิ่งมันเฉยอย่าไปดูนามธรรมให้ดูรูปธรรม งั้นการดูกายเนี่ยหมอะ ก, กับคนเล่นฌานนะเพราะอะไรเพราะเวลาออกจากฌานมาเนี่ยจิตมันนิ่งมันเฉยอยู่งั้นเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะอยู่ได้อย่างนั้นนานเลยมันไม่เห็นใจรักษไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงงั้นเราต้องจ ง, จงใจนะมาดูรูปมาดูกายเพราะงั้นออกจากสมาธิมาเราพุโทโธมาจนจิตนิ่งแล้วไม่วุ่นวายเลยละวนนี้ต้องดูกายไปดูจิตไม่ได้มันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่าง แต่อย่างพวกเราเข้าฌานไม่เป็นจิตฟุ้งซ่านตลอดเวลาดูจิตไปเลยนะนี่การดูจิตดูได้สองอันอันแรกดูความรู้สึกที่เกิดกับจิตคือตัวเจตสิกนั่นเองรู้สึกสุขรู้สึกไหมรู้จักสุขในใจไหมรู้จักทุกไหมรู้จักรอบโกรธหลงไหมใครไม่รู้จักบ้างยกมือสิใครไม่รู้จักรอบโกรธหลงเคยมีบางคนนะเขาบอกเขาไม่เคยโกรธเลยนะเราถ้าเราเคตบาลเปรี้ยงเดียวโกรธแน่นอนเลย ทำไมเขาไม่โกรธเลยตั้งเป็นปีเพราะเขาติดอย่างนี้เพ่งจิตไว้เฉยๆให้ช้างมาแต่เอาก็ไม่โกรธนะแต่ถ้าจิตเคลื่อนปกตินนิดเดียวก็โกรธแล้วะฉะนั้นอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานไปมีจิตใจเป็นคนดูไปนะ ถ้าในฝ่ายรูปธรรมก็ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแต่ก่อนจะดูอย่างนี้ควรจะไปทำสมาธิก่อนจิตถึงจะมีกำลังดูกายและวก็เวทนาทางกายได้อันนี้เหมาะกับคนเล่นฌานถ้าพวกที่ไม่ได้ฌานเนี่ยดูความรู้สึกทั้งหลายเวทนาทางใจคือสุขทุกข์เฉยๆทางใจกับดีชั่วนะไม่ดีไม่ชั่วทางใจสังขารเนี่ยดูอย่างนี้ แล้วถ้าดูได้ชํานาญขึ้นก็จะดูตัวจิตตรงๆได้จิตเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจงั้นนานมาทําเนี่ยดูได้สองส่วนส่วนหนึ่งดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆอีกส่วนหนึ่งคือดูตัวจิตตรงๆเลยที่มันทํางานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้จะดูยากกว่ากันนะงั้นทีแรกก็หัดดูที่ความรู้สึกก่อนก็ได้อย่างความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นดูยังไง ไม่ใช่ดูว่าเรากำลังโกรธนะความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นเราเห็นว่าความรู้สึกโกรธเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตกับความรู้สึกโกรธเนี่ยเป็นคนละอันกันจิตเป็นคนรู้มีผู้รู้เห็นไหมที่ครูบาอาจารย์วัดป่าสอนให้มีผู้รู้เนี่ยเพื่อจะเามาใช้ตรงนี้เองพอร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันนะพอมาดู ในส่วนของนมามธรรมความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้มันจะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตเนี่ยคนล้านกันเป็นคนละสภาวะกันเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนะแต่ว่ามีความโกรธความโลภความหลงเนี่ยผ่านเข้ามามีความสุขความทุกข์ผ่านเข้ามาจิตนี่เป็นแค่คนดูหน้าที่ของจิตคือเป็นคนดูเท่านั้นเองไม่ได้ทำหน้าที่มากกว่านั้นแต่ถ้าทําหน้าที่มากกว่านั้นมันจะเริ่มทุกข์ขึ้นมาละ นีเวลาดูมดูได้ทั้งหช่องนะทั้งตาหูจมูกนิ้นไก่ใจจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยการฝึกสมาธิที่ถูกทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นอันตโนมัติเพราะอะไรเพราะตอนที่มีสติเนี่ยจะไม่มีกิเลสตรงที่จิตเคลื่อนเนี่ยจิตมีกิเลสคือมีความฟุ้งซ่านงั้นเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ทันว่าจิตเคลื่อนปุ๊บนะ จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะไม่มีความฟุง้งซ่านเห็นไหมวิธีทำจิตให้สงบก็คือไม่ฟุง้งซ่านแค่นั้นเองง่ายง่ายง่ายนะไม่ใช่จิตไม่สงบเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบยากนะอย่างหลวงพ่อจะทำจิตให้สงบเนี่ยง่ายมากไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ไม่ฟุง้งซ่านเท่านั้นนะจิตก็สงบอัตโนมัติละ ทำยังไงถึงยังไม่ฟุง้งซ่านมีสติรู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงคือจิตที่ไหลไปโ น, โน้นไหลไปนี่นั่นแหละจิตฟุง้งนซะ่านเาะฉะนั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทํานะถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ถ้าอยากวนเวียนอยู่กับโลกก็ทําทานถือศีลทําสมาธินิดนิดหน่อยหน่อเลิบเคลิล้อะไรไปก็ทําไปเถอนะแล้วก็รอพระพุทธเจ้าวง์ต่อไปนะแต่ถ้าอยากพ้นทุก ในศาสนานี้หรือในชีวิตนี้ทำกรรมาฐานไว้สักอย่างหนึ่งไม่ใช่ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่งแต่ทำเพื่อรู้ทันจิตพารู้บ่อยๆพอมันเคลื่อนปุ๊บสติจะรู้เองนะพอมันเคลื่อนปุ๊บไปมันคือจิตมันฟุ้งซ่านเพราเรามีสติรู้ปุ๊บมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเพราะนผู้รู้กับผู้คิดเนี่ยตรงข้ามกันจิตผู้คิดผู้นึงผู้ปรุงผู้แต่งกับจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันกลับข้างกันนิดเดียวเอง รู้ทันว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันก็จะเกิดจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติขึ้นมาพอลืมจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะกลายเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาก็สลับกันอยู่อย่างนี้เองนี่เราคอยมีสติรู้ทานจิตไปจิตจะได้เป็นตัวผู้รู้พอจิตเป็นผู้รู้แล้วดูลองในกายก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา แล้วร่างกายมันมีอะไรโดดเด่นร่างกายมีทุกเต็มไปหมดเลยนะนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกหายใจออกหายใจเข้าก็เต็มไปด้วยความทุกหายใจออกก็ทุกนะลองไปหายใจดูหายใจเข้าก็ทุกหายใจไปเรื่อยๆจะเห็นทุกยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกหายใจก็เพื่อแก้ทุกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็เพื่อแคลทุกเคลื่อนไหวมากๆก็เมื่อยมันก็ต้องหยุด เพื่อแก่ทุกข์หยุดนานๆเมื่อยไหมนอนไม่กระดุกระดิกเดี๋ยวก็เมื่อยล่ะก็ต้องกระดุกระดิกแก้ทุกข์ของการอยู่เฉยๆนี่มันเต็มไปได้วยทุกข์นะเรามีสติรู้ทันร่างกายนะมีสมาธิมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราก็จะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกแล้วก็เป็นตัวทุกข์ถ้าเราเห็นละเอียดมาดูในส่วนของนมามธรรม ความสุขเกิดก็รู้ความทุกข์เกิดก็รู้โลบโกรวหลงเกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้นะเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าความสุขไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูเพราะงั้นความโกรธถูกดูไม่ใช่ตัวเรามันจะรู้สึกเลยมันไม่ใช่เราหรอกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยง ความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะความดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรดหลงก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนั้นหลวงพ่อไม่ได้สอนเพื่อจะให้พวกเรามุ่งไปที่ความดีความสุขความสงบนะแต่สอนพวกเราให้มองทะลุเข้าไปเห็นเลยทั้งความดีทั้งความสุขทั้งความสงบไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต้องการให้มีปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเรื่อย เราไปพอเราดูจิตได้ละเอียดขึ้นแนละ้วเราจะเห็นตัวจิตเองจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงมันจะมีตัวผู้รู้สลับไปตลอดนะเป็นตัวผู้รู้แล้วก็หลงไปดูเป็นตัวผู้หลงหลงไปดูแล้วก็รู้ทานอีกก็เกิดตัวผู้รู้ขึ้นมาอีกหลงไปฟังพอรู้ทานว่าหลงไปฟังก็เกิดตัวผู้รู้อีก มันจะมีตัวผู้รู้เนี่ยสลับกับตัวหลงเนี่ยตลอดเวลาต่อไปก็จะเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงตัวหลงก็ไม่เที่ยงนะหลงไปดูหลงไว้ฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไว้คิดทางใจล้วนแต่ไม่เที่ยงคนทั่วไปไม่เคยเห็นจิตไม่เที่ยงเพราะว่าจิตมีแต่หลงจิตไม่เคยมีตัวรู้เพราะงั้นไม่เคยเห็นจิตเกิดดับนะแล้วยังมาบอกว่าดูจิตมันเป็นของยาก จิตเกิดดับรวดเร็วไม่สามารถดูได้อะไรเงี้ยไม่จริงเพราะดูไม่เป็นต่หากไม่ได้เครื่องมือสำคัญคือสมาธิมันก็ถึงไม่ได้ปัญญาถ้ามีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นนะจิตเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้นะจะเห็นเลยเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจรู้กับหลงสลับกันตลอดเวลาอย่างนี้เราจะเห็นจิตเกิดดับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับ หลงทางตาหลงทางหูหลงทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมิได้กเกิดดับตรงนี้อาจจะยากไปสำหรับบางคนถ้าสมาธิไม่พอจะไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่ง่ายๆคือหัดดูความรู้สึกในใจเรามีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะโลบโกรดหลงเกิดขึ้นค่อยรู้ทันตอนนี้โลภแล้วตอนนี้โกรธแล้วตอนนี้หลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วคอยรู้ไปสุขแล้วทุกข์แล้วค่อยรู้ไปรู้แล้วค่อยๆสังเกต สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปรู้มันเข้าหากอย่างนี้นะมีจิตเป็นผู้รู้นะมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงแล้วสุดท้ายนะก็จะมาเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดดับตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันงั้นรูปนะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เจตสิกก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เคยได้ยินไหมคาว่าจิตเจตสิกรูป น, นิพพาน ถ้าผ่านตัวนี้แล้วปล่อยวางสามตัวแรกนี่ก็จะเจอผนิพานจิตเจตสิกรูปนะสามตัวเนี้ทําไมเอาจิตขึ้นก่อนทั้งๆ ท, ท, ที่ดูยากที่สุดที่แรกต้องฝึกที่จิตก่อนให้จิตเป็นคนดูก่อนนะแล้วจะไปดูเจตสิกรหรือไปดูรูปรก็แล้วแต่ความถนัดล้วนแต่สอนไตรลักษณ์ทั้งสิน้นแล้วสุดท้านจะเข้ามาที่จิตนะครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านพูดตรงกันหมดทุกอง์เลยว่า ในขั้นแตกหักข้ามภพข้าชาตินี่สู้ลงที่จิตเท่านั้นเองก็คือเห็นจิตแสดงใจลักนั่นเองแตกหักลงที่จิตนี่เองถ้าอยังเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เรานะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือความรู้สึกสุขทุกข์นะแต่ว่ามันไปยึดถือจิตอยู่นะก็ยังไปเกิดอีกจิตคือมเมล็ดทันของต้นไม้มีจิตดวงเดียว สามารถไปเพาะอขันห้าขึ้นมาได้ใหม่พอจิตเจตสิกรูปขึ้นมาใหม่ทําไมเรียกขันห้ามีจิตเจตสิกรูปมันมีสาเองเจตสิกมันแยกออกเป็นสมส่วนคือเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้จําอะไรจํารูปจําเสียงจํำกลิ่นจํจารสจําผฏฐพะสิ่งที่กระทบกายจําธรรมารมได้นะหมายรู้ก็มีหมายรู้ถูกหมายรู้ผิด หมายรู้ผิดก็คือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงของเป็นทุกข์หมายรู้ว่าสุขของไม่ใช่ตัวเราหมายรู้ว่าตัวเราถ้าหมายรู้ถูกก็คือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นมีสองตัวนะมีจำได้กับหมายรู้นะสัญญาตัวจำได้คือจารูปจำเสียงจากลิ่นจารสโผฏฐพัฏจาเรื่องราวทางใจธรรมรมหมายรู้ก็มีหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิด ถ้าหมายรู้ถูกก็คือเห็นใจรักนั่นแหละถ้าหมายรู้ผิดก็ไปหมายรู้ว่ามันเที่ยงมันมันเป็นสุขมันเป็นอัตตาบังคับได้เนี่ยตัวสัญญาตัวเจตสิกอันที่สามตัวที่หนึ่งคือเวทนาตัวที่สองสัญญาตัวที่สามสังขารความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรนี้อยู่ในกองสังขารทั้งหมดจิตเป็นคนรู้เนี่ยค่อยๆดูค่อยๆแยกไป ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากขอให้รู้หลักเท่านั้นให้ได้เครื่องมือเสียก่อนเครื่องมือคือมีสมาธิทําให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้มีสติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายของจิตเจตสิกรูปทั้งหลายแค่นี้เองนะแล้วเวลาดูไปเรื่อยๆพอมันเหนื่อยทำความสงบเข้ามาทาสมถะนะให้จิตสงบในโรมันเดียวแล้วพอถอยขึ้นมามาเดินปัญญา ต, ต่อ มานะดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเจทิตสิกรูปต่อไปแล้วแต่จะถนัดดูไหนก็ได้มันสอนใจลักเหมือนเหมือนกัน เ, เชิญไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ